วันนี้หลายคนก็จะกลับบ้านหลังจากที่มาเจริญสตินานเป็นอาทิตย์บางคนอาจจะมาภาวนาได้ไม่กี่วันแต่ไม่ว่าจะมาภาวนามากหรือน้อย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 ถ้าเราทำด้วยความหลงให้บุญที่ทำก็อาจจะกลายเป็นบาปนะหรือว่ากิเลสเพิ่มพูนนะอัตตาหนาแน่นมากขึ้นก็ได้หรือว่าทำแล้วก็ทุกนะเพราะว่านะไม่มีคนนะถ่ายรูปเราตอนทำบุญขึ้น f a c e b o o เียนะทุกแล้ว หรือว่าเป็นเจ้าภาพทอดกระถินทัพป่านะแต่ว่าได้น้อยกว่าอีกกองหนึ่งหรืออีกที่หนึ่งนยะซึ่งเป็นเพื่อนกันนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติแล้วนะจะใช้ชีวิตให้มีความสุขได้เนะี่ยมันก็ต้องมีสติเป็นเครื่องรักษาใจ แม้เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะแต่ก็อาจจะพลาดท่าเสียศูน์เพราะขาดสติแม้ประสบความสำเร็จนะความสาเร็จนั้นก็สามารถจะนำพาความทุกข์ให้กับตนเองได้เพราะขาดสติเผลิดในความสำเร็จนะเกิดความประมาท แล้วความประมาทนี่มันก็เป็นนะที่มาแห่งความตายบางทีมันตายจริงๆนะนะถูร์เตอรี่รางวัลที่หนึ่งห้าใบาดีใจนะรีบขับรถบึงนะจะไปจะไปบอกข่าวดีให้กับพ่อแม่เตนะเดยกกันก็ฝันเฟื่องเลยนะว่าได้เงินมา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 หรือในการมองมันก็จะแตกต่างไปด้วยอย่างพวกเราเนี่ยเวลาดูฟิล์มเอ็กซเลย์เนี่ยเรามองไม่ค่อยเห็นอะไรนะเรามองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยแต่ถ้าให้หมอนนะหมอมองนะไม่ว่าจะเป็นหมอหวัวใจหมอปอดหมอไตก็จะเห็นได้มากมายหลายอย่างเหลือเกินนะเห็นทะลุไปนะจนถึงก้อนมะเร็ง ทำไมเขเห็นได้ลึกเท่าทำไมก็เห็นได้มากนะเพราะเขฝึกนะเรามองไปท้องฟ้าเนี่ยนะแต่ละคนก็ท้องฟ้าผืนเดียวกันแต่ว่าทําไมบางคนนี่มองเห็นดาวได้ละเอียดละออนมากนะขณะที่เรามองไม่เห็นเลยนะแต่เขาเห็นนะทั้งที่แสงของดาวนะั้นมันอ่อนมากนยะ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 จากผ้าที่ทออันนี้เพราะเขาฝึกนะนะแต่เราไม่ได้ฝึกตาเนื้อเรามาฝึกตาในนะทไให้เห็นนะนะเห็นได้ได้ได้ละเอียดนะแล้วก็เห็นได้อย่างรวดเร็ว ด, ด้วยคนหลายคนเนี่ยทั้งนั้งที่มีความวิดตก มีความกังวลมีความโกรธมีความกลัวแต่ไม่เห็นนะไม่เห็นไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีอารมณ์เรานั้นนะหรือยิ่งกว่านั้นคือเข้าไปเป็นเลยเนะข้าไปเป็นเลยแทนที่จะเห็นความโกรธก็เป็นผู้โกรธแทนที่จะเห็นความเศร้าก็เป็นผู้เศร้แาแทนที่จะเห็นนะความวิตกก็เป็นผู้วิจก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 แม่ก็ทั้งถามว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรหลายคนก็ตอบไม่ไดนะ้เพราะว่าใช้แต่ตาเนื้อในการมองข้างนอกแต่ไม่เคยใช้ตาในเข้าไปส่องดูใจของตัวให้การเจริญสตินี่นะมันก็มันไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการฝึกให้มาดูกายและใจของตัวนะ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 หรืออารมณ์นะที่เกิดขึ้นในใจเช่นขณะที่โกรธนะหัวใจมันก็เต้นเร็วนะหน้านี่วขี้ขมดแม้จะไม่เห็นไม่ต้องส่องกระจกคนเราก็รู้นะถ้ามีสติที่ไวเพราะว่าตอนนี้หน้านี่วขี้ขมดแล้วแต่ตอนที่โกรธเนี่ยเพราะความหลงมันก็จะเลยไม่สังเกตนอกจากนั้นก็ยังมีอาการอะไรอีกนะมือเท้าเกร็งนะ ปางนี่เม้มนะหรือว่าลมหายใจทีสั้นถ้หลายคนเนี่ยบอกไม่ได้นะว่าตอนที่โกรธนี่อาการเป็นอย่างไรแม้เวลาตอนที่ถามที่ไม่ได้โกรธแล้วตอนที่กรัวนี่อาการเป็นอย่างไรนะไม่รู้เพราะหลไรเพราะไม่สังเกตเราไปรับรู้สิ่งภายนอกมากรับรู้นะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ โทรศัพท์มือถือนะโปรโมชั่นต่างๆหรือว่ารับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดาราบุพนะเพสนิวาสอะไรต่างๆนี่โอ้ยรู้ดีนะดารารู้ประวัติบางคนก็ซีเรียสหน่อยนะก็รู้ถึงเกี่ยวเรื่องของโลกและจักรวาลนะรู้เยอะ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 ดูกลมหายใจนะอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเช่นหายใจเขาลึกๆหายใจออกยาวๆนะมันก็ช่วยได้รู้กายเสร็จกลับมารู้ใจนะมันก็ช่วยทำให้เมื่อรู้ใจเห็นความโกรธนี่มันหลุดเลยนะย่อแต่ความโกรธเลยนะความกลัวก็เหมือนกันผู้ชายคนนึงนะปเป็น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 เหมือนเมนเคยนะอุ้มลูกลงโป๊ลูกก็ร้องนะโวยวายอยากจะให้พ่อนี่นะนะคือออกจากโป๊ให้ไดนะ้แต่ก่อนพ่อก็พยายามใช้เหตุผลแต่ครันี้ไม่ใช่เหตุผลลวถามลูกเลยนะลูกนะตอนนี้เป็นยังไงนะตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นอย่างไรนะตัวของลูกเป็นอย่างไรนะ ยามจี้ถามว่าหัวใจเป็นยังไงเนะี่ยหัวใจมันเตน้นเต้นแรงมากเลยลมหายใจเป็นยังไงลมหายใจมันก็แรงเนะี่ยพอถามกายเสร็จก็ถามใจแล้วใจเป็นยังไงมันกลัวพ่อมันกลัวชักพักเนี่ยพรากว่าจู่ๆเด็กก็นิ่งนะแล้วจากเดิมที่เกาะเกาะไหลพ่อไว้แน่นเนี่ยมันก็คลายแล้วก็ปล่อยตัวเนะีย ลงม า, าวิ่งบนโป๊้ได้เลยให้ความกลัวลูกอยู่ๆมก็หายไปจากเดิมที่กลัวโป้นี่กลายเป็นว่านะไม่กลัวโป๊ะแล้วลงมาวิ่งเล่นบนโป๊ะได้นะอันนี้พ่อก็แปลกใจนะสิ่งที่พ่อทํำคืออะไรนะก็คือให้ลูกเนี่ยสอนให้ลูกมีสตินะเห็นนะเห็นกายเห็นใจ ไอ้คำว่าเห็นกายเนี่ยนะมันไม่ได้เห็นด้วยตานะคือมันเห็นด้วยสตินะถึงแม้เราหลับตาเนี่ยนะถ้าเราโกรธหรือเรากลัวเราก็รู้นะว่ากายเป็นอย่างไรนะอ้รู้นี่รู้กายนี่มันก็รู้ได้อย่างอย่างอย่างกก็สองอย่างคือรู้อาการกับรู้ว่ากายกำลังทำอะไรอย่างเช่นเรายกมือเนี่ยนะเออเราก็รู้ว่า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 เมื่อเห็นความคิดนี้นะมันก็จะจิตก็จะไม่ถลํมเข้าไปในความคิดนะเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นนะมีสติเห็นอารมณ์จิตมันก็ไม่เข้าไปถลํมเข้าไปยึดจนกลายเป็นผู้โกรธหรือไปยึดว่าความโกรธเป็นกูเป็นของกูถนะ้เราสังเกตนะถ้าไม่มีสติเนี่ยโกรธเมื่อใดเนี่ยมันจะรู้สึกลรากูโกรธกูโกรธนะ เวลาคิดเนี่ยถ้าไม่มีสติมันก็จะเห็นว่าความคิดเนี่ยเป็นของเราเป็นของกูแล้วก็จะเกิดความหวงแหนความคิดนั้นมากพยายามปกป้องความคิดนั้นและพยายาม เ, ยเล่นงานความคิดที่มันไม่ถูกหรือมันตรงข้ามกับความคิดของเราไอ้ที่ทะเลาะบบาแหวงกันเป็นรแบบักเป็นเวรจนจนกระทั่งบางทีตัดยอดขาดมิดกันนี่ก็พเพราะไปยึดว่าความคิดเป็นของกู ความคิดกูเท่านั้นที่ดีความคิดกูเท่านั้นที่ถูกนะความคิดแกความคิดมึงมันไม่ได้เรื่องแถมจะไปถลม่มหรือว่าเล่นงานความคิดนะที่มันผิดแผกไปจากความคิดของกูอันนี้เรียกว่าหนะลงแล้วนะเรียกว่าเป็นเป็นธาตุของความคิดแล้วถ้าเรามีสตินะเราเห็นความคิดนะ เราจะเป็นนายความคิดแต่ถ้าไม่มีสตินะหลงเข้าไปในความคิดนะความคิดจะเป็นนายเราแล้วมันก็สามารถจะทให้เราไปทะเลาะบอแวงกับคนทั้งโลกได้เพียงเพราะคนทั้งโลกเนี่ยเห็นไม่เหมือนเราคิดไม่เหมือนเรานละ้เดี๋ยวนีนะ้เราก็เห็นนะผู้คนทะเลาะกันทางโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยเรื่องดารา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 มันคิดเข้าไปทีหลายก็เผลอหลุดเข้าไปในความคิดนั้นแล้วความคิดนั้นก็ครอบงำวงการเราอีกทีหนึ่งถ้ามันนะมันใช้สตินี่เข้าไปดูนะเข้าไปมองเข้าไปเห็นนี่ยถ้าเราใช้สติ บ, บ่อยๆนี่มันจะแยกได้เองนะระหว่างเห็นกับเป็นนี่มันแตกต่างกันอย่างไรจริงๆเนี่ยที่เรามาอยู่กันสามสี่วัน6เจวันควรจะ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 แต่ว่าถามเขาว่าอไอ้ที่ถามมันนี่ยังถามไม่ถูกนะให้ถามใหม่นะหลวงพ่อไม่ได้ถามหลวงพ่อแน่นะว่าให้ถามใหม่ที่ถามมันนี่ไม่ถูกเขานั่งเขานิ่งซักผ้าแล้วก็บอกดูเห็นความเครียดมันเยอะเหลือเกินหลวงพ่ อ, อตอนนี้เขาถามถูกแล้ว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 ตาเห็นข้อความก็มีสติเห็นใจนะใจมันยินดียินร้ายใจมันก็เพื่อไมมเมื่อเห็นข้อความนะทางไลนทาง Facebook หรือว่าเมื่อตาเห็นอาหารนะมีสติเห็นใจนะว่ามันดีใจหรือมันมันไม่พอใจนะมันยินดีหรือมันยินร้ายเอาทำได้คู่กันเลยนะอันนึงเนี่ยมองไปข้างนอก อีกอันหนึ่งมองเข้ามาข้างในหัดให้ทำสองอย่างควบคู่กันไปหรือไล่ไล่กันไม่ใช่แค่ต่างอย่างนะหูเหมือนกันนะเวลาหูได้ยินเสียงหรือเสียงกระทบหูนะก็มีสตินะเห็นใจว่ามันโกรธหรือมันดีใจเวลาคาต่อว่ามากระทบหู ก็มีสติเห็นใจที่กรเพิ่มเห็นใจที่โกรธเนวะลามีคําชมมากระทบหูก็เห็นใจที่มันเพลินมันดีใจแค่นี้ก็เรียกว่าได้ประโยชน์ละอย่าไปอย่าไปอุดหงิด ต, ตัวว่าทําไมเราโกรธนะเมื่อได้ยินคนเขานินทาเรานะควรพอใจว่าเออแค่เราเห็นมันเนี่ยเห็นว่าโกรธเนี่ย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 ผีมีสามตัวนะผีโลภผีโกรธผีหลงนะถ้าเด็กคนไหนจับผีได้มารายงานนะหลวงพ่อจะให้รางวัลนะเด็กก็มาเล่าว่าเนี่ย เ, เด็กเล่าว่าเนี่ยจะไปเข้าห้องน้ำนะจะไปจะไปส่องกระจกสักหน่อยแต่พอเข้าไปห้องน้ำ ลืมไปเลยว่าเข้ามาทําไมเฮ้เราก็ไม่ได้ปวดท้องนะแล้วเราเข้าไปทํำไมอ ะ, อ, ะอย่างนี้เรียกว่าผีหลงแล้วนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะบางทีตั้งใจว่าจะไปซื้อรองเท้านะจะไปซื้ อ, อ, อเครื่องมือทาําความสะอาดห้องน้ําก็เข้าห้องเอาเข้าห้างสรรพสินค้าไปห้างสรรพสินค้าอเห็นของลดราคาเยอะเลย ซื้อของม่ต้องเยอะเป็นส อ, สองถุงได้นะแต่สิ่งที่ไม่ได้ซื้อคือรองเท้าแล้วก็อุปกรณ์ขัดห้องน้ำนที่ตั้งใจจะจะไปซื้อตั้งแต่แรกอย่างนี้ก็เรยผีหลงนะหลวงพ่อสงฆ์ที่ท่านเล่นเกมนะจับผีนะโอ้เด็กชอบมากเลยเด็กนะแทนที่จะแก้ตัวเวลามีความโลภมีความโกรธเด็กนี่เอามาเล่าอย่างเปิดเผย นะด้วยความภูมิใจว่าจับผีโกรธจับผีโลภได้จับผีหลงได้พวกเราก็เอาเกมนี้มาใช้กับตัวเองได้นะเวลาเันโกรธก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปปฏิเสธนะว่าฉันไม่โกรธฉันไม่โกรธนะยอมรับเลยว่าฉันโกรธนะเวลาเพื่อนมานินทาหรือยอมรับนะเวลาว่าเวลาไปชอปปิ้งแล้วมันเห็นของอยากดึกอยากซื้ อ, อยากได้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 รู้สึกไม่พอใจหรือความไม่ชอบเสียงนั้นนะแต่ก่อนไม่เห็นนะเพราะว่าเราไม่มีสติที่ไวพอเพราะว่าเราไม่ค่อยหมั่นมาดูใจแต่พอเราดูใจไปบอ่อใจเห็นแล้วตัวการที่แท้จริงเนี่ยมันคือความรู้สึกลบที่มีต่อเสียงนั้นมันคือความไม่ชอบนะมันคืออาการปฏิเสธผักใสเมื่อได้ยินเสียงนั้นมากระทบหูไอตัวนี้ต่างหาก นะเพราะทันทีที่เราวางใจเป็นกลางนะกับเสียงนั้นไม่ทุกข์ลวไม่มีความหงุดหงิดลวเวลาหงุดหงิดเมื่อรถติดเนี่ยเราก็มาจะโทษเป็นเพราะรถติดนะแล้วเราก็โทษกทอมเราโทษรัฐบาลเราโทษรถคันหน้าเราโทษรถทั้งหลายนะที่มันเรียงรายอยู่ข้างหน้าเราว่าทาไมมันมาเดินทางมันช่วงนี้วะนะนี่บันเช้าวันอาทิตย์ ทำไมไม่อยู่บ้านกันทำไมอ้ อ, อ ก, กันมาอยู่บนถนนแบบนี้บางทีลืมถามตัวเองว่าแล้วแล้วเราออกมาทำไมนะแต่ลางที่หงดหงิดเนี่ยนะถ้าเราไม่ดูใจเราก็จะไปโทษลดนะไปโทษโลกทั้งโลกแต่เมื่อเรามีสติดูใจนะจะเห็นเลยนะว่ามันเป็นเพราะเราเนี่ยนะมันโนไปนะเราคิดไปเราคิดข้ามชอดไปแล้ว เรฝันไปถึงเรานึกไปถึงอนาคตแล้ ว, วถ้ารถติดนานๆแบบนี้เดี๋ยวจะไปส่งลูกไม่ทันเดี๋ยวจะไปทํางานสายเดียวตกเครื่องบินพอคิดแบบนี้เข้าไปไงหงุดหิดกั ง, งวลหนักใจรุ่มร้อนทั้งที่ในรถนี่มันแอร์เย็นไอ้ถามว่าที่มโนเนี่ยมันเกิดขึ้นหรื อ, อยังยังไม่เกิดแต่คิดไปแล้วพอคิดไปแล้วเป็นไงใจมันก็เป็นท่าของความคิดทันทีเลยก็คือกั ง, งวลไม่ชอบแล้วหงุดหิด เพียงแค่เราเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันนะไม่ต้องไปมโนโไปมนโนล่วงหน้าว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเกิดรถติดนานกว่า น, นี้เอาใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะความหิุดหิดหายเลยแถมมีเวลาเอาเวลาที่รถติดมาคุยกับลูกมาคุยกับแฟนเป็นการสร้างสัมพันธ์เป็นการกระชับความสัมพันธ์กับลูกกับคนในครอบครัวแทนที่จะทุกฟรีๆนะก็เอาเวลา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 เป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และไม่มีการเสียอารมณ์เพราะว่าจิตเป็นปกติถ้าเรามันดูจิตนะเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเราจะรู้เลยว่าสาเหตุที่แท้จริงของความทุกข์ใจมันอยู่ที่จิตที่มันเป็นลบนะจิตที่ผลักไสจิตที่ไม่ยอมรับงานก็เหมือนกันนะเรามักจะคิดว่าที่เราทุกข์เรา เราทุกเพรางงานมันเยอะนะแต่ถ้าดูไปสังเกตใจของตัวก็จะพบว่าเป็นเพราะเราไม่รู้จักวางบางทีช่วงเวลาพักนะเราก็ไม่ได้พักจริงเราก็เอาไปคิดคิดถึงงานไม่ว่าจะเป็นงานที่บ้านนะหรือว่างานดูแลพ่อแม่ที่ป่วยนะเวลาจะหลับก็ไม่ยอมวางก็คิดอยู่นั่นแหละ ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะแต่ถ้าเราทุกข์เพราะไปแบกปัญหามันเหมือนกับเราเดินผ่านหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเสร็จ แ, แล้วเราก็วกกลับมาแบกหินก้อนนั้นแบกสัพักเราก็บอกว่าหนักหนั ก, หนกเหนื่อยเนืยไม่ไหวไม่ไหวนะอันนี้เรียกว่าทุกข์ถามว่าเราทุก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 คำตอบมันเฉลยเลยว่าทำไงถึงจะไม่ทุกข์วางหินนั้นลงนะหินยังมีอยู่แต่เราไม่ทุกข์แล้วเพราะอะไรเพราะเราวางปัญหายังมีอยู่แต่เราไม่ทุกข์เพราะเราวางปัญหานั้นลงนะไอ้ที่ทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะปัญหาแต่ทุกข์เพราะแบกปัญหาถ้าไม่มีสติดูใจนะมันจะไม่เห็นหรอกเราจะไม่เห็นสมุทัยที่แท้จริง ชาวพุทธเนี่ยเราคุ้นกับอริยสัจสีนะทุกสมุทัยนิโรธมักถูกสอนมาว่าเมื่อมีทุกข์ก็ต้องหาสาเหตุแห่งความทุกข์แล้วก็ค่อยหายวิธีการแต่ว่าเราไม่ได้ใช้อริยสัจนสะี่นกับชีวิตจริงของเราเท่าไหร่เราไปมองสาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยผิดเลยไปมองว่าเป็นเพราะรถติดเป็นเพราะวัเพาะเสียงดังแต่ไม่ได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้ว สมุดไทยหรือตัวการที่แท้จริงเนี่ยมันคือใจที่วางไว้ไม่ถูกใจที่ปฏิเสธผักใส่ใจที่แบกอันนี้ต่างหากนะที่มันเป็นตัวการอย่างความทุกข์ที่แท้จริงไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นหรือแม้สิ่งลอกสนอกตัวเองแก้ไม่ได้แต่ว่าทุกข์ก็หายไปเพราะว่าเราจัดการที่ตัวสมุดไทยที่แท้จริงก็คือการทําให้ใจมันเป็นกลางนะหรือว่าใจไม่แบก พูดง่าคือวางใจให้ถูกนะเพียงแค่รู้นะรู้โดยที่ไม่ผักใสนะรู้โดยไม่บน่นไม่โยวยวายไม่ตีโพยตีพายนี่ก็ช่วยลดทุกข์ไปได้เยอะนะเรียกว่ารู้สื่อๆนะรู้สื่อๆก็คือรู้นะมีเสียงดังก็รู้สื่อๆนะไม่ต้องไปผักใสเสียงนั้นรถติดก็เห็นนะก็รู้ว่ารถติดนะแต่ก็รู้สื่อๆคือไม่ไปบน่นไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายนะอันนี้คือรู้ภายนอก รู้ภายในก็คือรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะก็รู้ซื่อๆความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ไม่ต้องผักสายมันไม่ต้องกดข่มมันมีความเศร้านะความรู้สึกผีเกิดขึ้นก็รู้นะไม่ต้องไปผักสายไม่ต้องไปกดข่มมันหรือว่าถ้าหากว่ามีความดีใจก็ไม่ไปเคลิมคล้อยไปกับมันนะรู้ซื่อๆเนี่ยไม่ว่าจะรู้นอกรู้ในนะมันช่วยให้ลดทุกข์ได้เยอะเลย ซึ่งมันก็คือเรื่องเดียวกับเห็นไม่เข้าไปเป็นนะแต่พูดเป็นคนเราแง่นะถ้าเข้าใจเรื่องเห็นไม่เข้าไปเป็นนก็จะเข้าใจว่ารู้ซื่อๆเป็นอย่างไรและพอจะรู้ซื่อๆได้มันต้องเห็นนะแต่ถ้าไม่รู้ซื่อๆไม่รู้เฉยๆมันก็จะเข้าไปเป็นนะไม่ว่าจะเป็นผักใสหรือไขควข้าก็ตามรวมทั้งปรุงแต่งด้วยนะคนเราทุกพอะการปรุงแต่งซะเยอะ สมมติเราไปไปกินอาหารนะถ้าเกิดได้อาจารย์อาหารที่มีนอนนะเป็นยังไงอถ้าคนที่เขามองว่าอ้นอนเนี่ยคืออาหารชั้นดีเขากินก็จะมีความสุขนะเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็กินนอนเยอะนะแต่ถ้าเรามองว่าไอ้นอนเนี่ยนะมันเป็นสิ่งหน้าขยะขยแยง้งเชื้อโรคเรากินแล้วก็ผะ อ, อืดผะอมเป็นทุกข์ ไอ án án ้ความคิด hmm. ว่านอนเนี่ยนะมันเป็นของดีนะนี่ก็เรียกว่าเป็นการปรุงแต่งนะเราไม่ได้เห็นนอนว่าเป็นนอนแต่เราเห็นว่าเป็นของดีอ่ากินก็มีความสุขอร่อยแต่ถ้าเราปรุงแต่งไว้ว่าน้อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าขยะขยะง่ายกินก็ผืออืดผืออมอันนี้ก็มันเรียกว่าไม่รู้สื่อๆนะมันมีการปรุงแต่งเข้าไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองฝึกดูนะรู้ซื่อๆดูควบคู่ไปกับการเห็นไม่เข้าไปเป็น ช่วยเราจะสงบเย็นนะมากเลยแล้วก็ฝากเอาไว้นะสำหรับพวกเราที่มาปฏิบัตินะตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเอากลัพักพร้อมกัน